เรื่องความอัศจรรย์ที่ได้พบโดยมุกดาจิณณะสมบูรณ์ตัวข้าพเจ้าเองเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แนนสุพัทโทวัดํำขามทำยาวอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นก่อนหลวงปู่แนนจะลัสังขารท่านสั่งไว้ว่า ในยุคนี้ไม่มีใครเกินหลวงปู่มหาบัวยาณสัมพันโนและท่านก็สมทับอีกประโยคว่าหลวงปู่มหาคมกริบมากอย่าไปทำเสื้อเื้อซาๆาๆให้ขายขี้หน้าเราละ่ะข้าพเจ้าจดจำได้ขึ้นใจจึงไม่กล้าไปภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดกลัวจะทำขายขี้หน้าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่แนนได้แต่ภาวนาอยู่ที่บ้านตั้งแต่เดือนสิงหาคมพศ2542จนกระทั่งกลางปีพศ2547 ได้ฝันเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านสั่งว่าให้มาภาวนาที่วัดข้าพเจ้าจำได้ว่าหลังวันวิสาขาบูชาผ่านไปไม่กี่วันก็เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดในคืนที่ฝันข้าพเจ้าแปลกใจมากทำไมท่านถึงรู้จักเราและรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าในชีวิตเราเคยไปทาบุญที่วัดป่าบ้านตาดเพียงครั้งเดียว และในพศ2542ท่านพาทำกองพระป่าช่วยชาติจําได้ว่ามีผู้คนมาทำบุญที่วัดกันมากมายที่นั่งในศาลาเต็มต้องปูเสือนั่งกันรอบๆศาลาตัวเราก็นั่งอยู่ด้านนอกเกือบติดชายป่าต้นไม้ไกลจากท่านมากเห็นแต่แผ่นหลังของท่านขณะเดินไม่เคยได้กราบท่านใกล้ๆล้อเหตุชนไหนท่านจึงมาสั่งเราในฝันนี่คือความอัศจรรย์ใจที่พบเป็นครั้งแรก ความอัศจรรย์ใจในครั้งต่อๆมาคือท่านไม่เคยให้รู้สิษย์คนนี้เดินทางไปไหนต่อไหนนอกจากที่วัดกับที่บ้านบางครั้งคิดจะเดินทางไปทาบุญกับเพื่อนๆหรือตามขบวนท่านก็จะฝันว่าท่านมาห้ามทั้งๆ ท, ที่เราอยากไปแทบแยกในคราวที่มีพิธีเปิดเจดีศรีไตรรัตน์ยานุสร์ซึ่งบรรจุอทิษฐานของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําท่านก็ห้าม ทั้งที่มีคนช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเด็ดปกติเมื่อมาถึงวัดถ้ามีเงินเหลือจะนำไปทำบุญหมดไม่เคยเก็บไว้อีกคราวหนึ่งก็ฝันว่าท่านไม่ให้ไปในงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดียด์หลวงปู่แนนสุพัทโททั้งๆ ท, ท, ที่เป็นวัดต้นกำเนิดในการปฏิบัติภาวนาตัวข้าพเจ้ามานุษอัศจรรย์ใจว่าทาไมเรานึกอคิดอะไรๆท่านรับรู้ตลอดเวลา เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนเสมอท่านเอาเวลาที่ไหนมาสอดสองดูแลพวกเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่นก็พบทำนองเดียวกันเพียงแต่เป็นคนละละักษณะคนละเหตุการณ์จิตของพระอาหารหันต์ยากแท้ที่ปุตุชนอย่างเราจะอย่างทราบได้ความอัศจรรย์ใจอีกเรื่องคือถ้าเราอยู่วัดป่าบ้านตาดัดคิดจะกลับบ้านในบางครั้งท่านจะห้าม ทั้งทงที่เรากําหนดวันกลับและเก็บข้าวของแล้วเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ต้องเลื่อนวันกลับออกไปอย่างไม่มีกําหนดและเมื่อท่านจะให้กลับได้วันไหนก็จะฝันล่วงหน้าหนึ่งวันหรือถ้าเราภาวนาอยู่ที่บ้านท่านจะให้เรามาภาวนาต่อที่วัดในวันไหนท่านก็จะสั่งมาในความฝันเสมอเสมอทั้งนี้และทั้งนั้น ข้าพเจ้ามิเคยนึกคิดว่าตนเองภาวนาเก่งกว่าใครๆพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงได้มาใส่ใจความนึกคิดของเราตลอดเวลาเพราะเท่าที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆนักภาวนาด้วยกันก็รู้สึกว่าจิตของนักภาวนาทุกคนจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ครูอาจารย์เสมอๆไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือห่างไกลเพียงใดข้าพเจ้าผู้ซึ่งยังมีกิเลสได้แต่สงสัยว่า จิตของพระอระหันต์ผู้ซึ่งห่างไกลกิเลสสามารถครอบคลุมทุกดวงจิตได้อย่างไรแต่ความเป็นจริงก็ประจักษ์ชัดในผู้ที่ประสบพบเจอบทความโดยมุกดาจิงทะนสมบูรณ์เสียงอ่านโดยโจโฉ